การหาความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในพวกนี้ยังเพลินกับการดูหนังฟังเพลงดูละครนะแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามอะไรือเพลินทุกวันอย่างนี้นี้เรียกว่ากามฆราวาส่ยชีวิตเราหมกอยู่ในการรมพระเจ้าท่านเทียบกามเหมือนน้ำนะเหมือนน้ำพวกเราเหมือนกิ่งไม้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 เราทำในรูปแบบนะมันจะเบรกตัวเองออกจากกามด้วยถึงเวลาเราภาวนานใจเราจะไม่ไหลหลงไหลในกามมากนะักถ้าเราทำในรูปแบบทุกวันทุกวั น, นต่อไปเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันสติจะเกิดบ่อยเพราะตอนที่เราหาัดทำในรูปแบบเราคอยรู้ทันเราคอยมีสติอยู่จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตไปทำอะไรเราก็รู้นะ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 เป็นค่อนข้างจะสบายเวลารู้นี่เหมือนมันรู้เข้ามาที่ใจเยอะขึ้นบางทีเหมือนมันมาแบบสันสันบางทีเหมือนมันมาแบบแหลมแหลมจริงๆหรือว่ากระแทกมาบ้าง ม, มีทุบมายัางมีเลยคราวนี้พอวันที่สามเนี่ยเออหนูฟุ้งกระจายจิตไม่ถึงฐานเลยเ อ, อมาฟังครูบาอาตอนช่วงเช้าพยายามแก้มันอยู่ค่ะ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 ฟังหลักให้แม่นแล้วก็ไปสังเกตตัวเองเอาสอนให้ตั้งแต่ขั้นกอไก่ถึงหอน้ฮูกเลยเราไปดูเอาว่าตอนนี้เราถึงอะไรถึงงองงูถึงจอจานอะไรอย่างเงี้ยดูไปบางคนพอเริ่มดูอุย้ยสอเสือแล้วอะไรเงี <c ười> ้ยใจเป็นงูตกกระไดขึ้นไปซะสูรี่วเลยเลยลงมากาไก่อีกนะเราไปสังเกตเอาใจฟุ้งซ่านให้รู้เอาใจเข้าฐานให้รู้เอา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 นมัศการคร่ะพระอาจารย์คราวที่แล้วที่โยมมาส่งกันบ้างแล้วแบบจิตมันเป็นจิตมานแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมรับตัวเองเคะคะพระอาจารย์แต่พอว่ า, าเริ่มยอมรับได้น่ะจิตมันก็จะลดอิกรีจากความรไายการลงเหลือประมาณแบบแม่มดแล้วก็เป็นแบบอันตรภานี่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้จิตแบบจิตที่รักดีเขาก็ไม่ฉุดละค่ะอืแต่ว่าบางทีเขา อ, อาจจะแบบหลบเอาไว้ว้างบ้างนี่ค่ะพระอาจารย์เราเลื่อถือว่าจิตมันไปพักผ่อนนะ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 ที่หลวงพ่อสอนให้คอยดูกายดูใจไปเรื่อยๆบางทีอยู่ดีแวบๆก็จะเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นสภาวะเอามารวมๆกันอยู่แต่งี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าแต่ในเชิงที่ละเอียดมากขึ้นอย่างนั้นได้ใช่ฮัทใหม่ๆมันวือหวาหน่อยนะพอภาวนานๆไปมันก็เนียนๆหน่อยเป็นธรรมดาแต่ว่าเราเราไม่เฉ่อยนะถึงว่าทุกวันเราทาในรูปแบบอ่ไงเงี้ยจะทาให้เราไม่ตกต่า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 มันไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะค่ะออค่อยๆหันดูไป <c oughs> <laughs> ใจมันชอบแต่มันชอบนะมันชอบรู้ว่าชอบมันไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบกลับ <c oughs> ขอบพระคุณจ้ะค่ะเชิญกลับบ้าน